กอที่44เรื่องพระเจ้าอาชาติศัตรูฝ่ายพระเจ้าอาชาติศัตรูอาศัยพระเทวทัตตัดอุปนิสัยโสดาปฏิมักและโสดาปฏิผลอันพระองค์ควรได้ในปัจจุบันเสียประสบความพินาศอย่างใหญ่หลวงเพราะทำปีตุฆาตกรรมได้ยินว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นในเวลา ท, ที่ทรงเป็นพระอุปราช ส่งเลื่อมใสายในอิทธิปฏิหารของพระเทวทัตได้เสด็จไปสู่ที่บำรุงของพระเทวทัตนั้นทั้งเช้าเย็นทุกทุกวันต่อมาวันหนึ่งพระเทวทัตเข้าไปเฝ้าพระองค์แล้วถาวายพระพรว่าพระกุมารในการก่อดแลมนุษย์ทั้งหลายมีอายุยืนบัดนี้มนุษย์ทั้งหลายมีอายุน้อยถ้าอย่างนั้น พระองค์จงปรงพระชนพระราชบิดาแล้วเป็นพระเจ้าแผ่นดินอาตมภาพก็จักปรงพระชนพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเชื่อคำของพระเทวทัตนั้นแล้วในเวลาตะวันเที่ยงเนบพระแสงกริเสด็จเข้าไปภายในพระราชมทียนพวกอมตะจับพระองค์ไว้สักถามแล้วทูลความนั้นแด่พระราชา พระราชาทรัถามว่ากุมารเจ้าต้องการจะฆ่าพ่อเพื่อประโยชน์อะไรพระเจ้าอาชาศัตรูกราบทูลว่าขอเด้ใช้มอมฉันมีความต้องการด้วยราชสมบัติพระราชาได้พระราชทานราชสมบัติให้แก่เธอเธอจึงแจ้งแก่พระเทวทัตว่ามโนรถของข้าพระเจ้าสำเร็จแล้วพระเทวทัตทูลว่า พระองค์เป็นเหมือนบุุรษขังสุนัขจิ้งจอกไว้ข้างในแล้วหุ้มกลองไว้สําคัญพระฤทัยว่าเป็นผู้ทํากิจดีพระราชบิดาของพระองค์ทรงนึกถึงการดูหมิ่นที่พระองค์ทําแล้วก็จะกลับเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสียเองโดยสองถึงสวันเท่านั้นพระเจ้าชาตสตรูตรัสว่าข้าพเจ้าจะทําอย่างไรเล่าเจ้าค่ะพระเทวทัตถุนว่า พระองค์จงปรงพระชนพระบิดาเสียพระเจ้าอัชาสตรรตรัสว่าท่านเจ้าข้าพระราชบิดาของข้าพระเจ้าเป็นผู้ไม่ควรจะปรงพระชนด้วยสัตว์ไม่ใช่หรือพระเทวทัตถูนว่าพระองค์จงให้พระราชบิดานั้นสิ้นพระชนโดยการตัดพระกรยาหารเถ้าเธอจึงให้จำขขงพระราชบิดาไว้ในเรือนอันร้อนดมกล่าวคือ เรือนที่กลบกลุ่มด้วยควันไฟซึ่งสร้างไว้เพื่อลงโทษแล้วตรัสว่ายกเว้นพระราชมารดาของเราเสียท่านทั้งหลายจงอย่ายอมให้ผู้อื่นเยี่ยมพระราชเทวีได้ใส่พระกรยาหารในขันทองคำส่งพกด้วยชายพระฟูสาเข้าไปถวายแด่พระราชาเท้าเธอทรงยังพระวรากายให้เป็นไปด้วยพระกรยาหารนั้น พระเจ้าอาชาสตรูตรัสถามว่าพระราชบิดาของเรายังพระวรกายให้เป็นไปอย่างไรสดับเรื่องนั้นแล้วตรัสว่าท่านทั้งหลายจงอย่ายอมให้พระราชมารดาของเราซ่อนพระกระยาหารไว้ที่ชายพระภูษาเข้าไปพระราชเทวีใส่พระกระยาหารไว้ในพระโมลีเข้าไปพระเจ้าอาชาสตรูสดับเรื่องแม้นั้นแล้วตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงอย่ายอมให้พระราชมันดาของเรากล่าวพระโมลีเข้าไปพระราชเทวีใส่พระกระยาหารไว้ในฉลองพระบาททองคําปิดไว้แล้วทรงฉลองพระบาทเข้าไปพระเจ้าอาชาสตรูสดับเรื่องแม้นั้นแล้วตรัสว่าท่านทั้งหลายจงอย่ายอมให้พระองค์ทรงฉลองพระบาทเข้าไปพระราชเทวี ทรงสนานด้วยน้ําหอมทาพระกายด้วยมัทรสีประการแล้วห่มพระภูษาเสด็จเข้าไปพระราชาทรงเลียพระกายของพระนางยังพระวรกายให้เป็นไปถามว่าการตายด้วยความพยายามแห่งตนไม่ควรหรือแก่ว่าก็พระอริยสาวกทั้งหลายย่อมไม่ยังตนให้ตกชิบหายไปพระเจ้าอาชาสตรู ตรัสถามอีกทรงสดับเรื่องนั้นแล้วตรัสว่าตั้งแต่บัดนี้ไปการทั้งหลายจงห้าม ร, ราชมารดาของเราเสด็จเข้าไปเสียพระราชะเทวีประทับยืนใกล้พระทวารแล้วถูนว่าข้าแต่พระเจ้าพิพิสารพระราชสวามีบัดนี้นี้เป็นการเยี่ยมพระองค์ครั้งสุดท้ายตั้งแต่การนี้ไปหม่อมฉันจะไม่ได้เยี่ยมพระองค์ ถ้าโทษของหม่อมฉันมีไซสขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรโดอดโทษด้วยเถิดเพคะดังนี้แล้วทรงกันแสงเสด็จกลับแล้วจำเดินแต่นั้นมาพระราชาทรงอดพระกรยาหารอย่างพระวรกายให้เป็นไปด้วยการเดินจงกรมอันประกอบด้วยสุขอันเกิดแต่มรรคและผลก็พระวรกายแม้ของพระองค์ย่อมรุ่งเรืองยิ่งนัก พระเจ้าอาชาสตรูตรหัสถามว่าพระราชบิดาของเรายัางพระวรากายให้เป็นไปได้อย่างไรสดับว่าด้วยการจงกรมดังนี้แล้วทรงส่งพวกช่างกระบกไปด้วยพระราชองการว่าพวกท่านจงเอามิโกนฝานพระบาทพระราชบิดาของเราแล้วทาด้วยน้ามันผสมเกลือแล้วรมด้วยฐานไม้ตะเคียนช่างกระบกเหล่านั้น ไปทูลพระราชองค์การแด่พระราชาอันเท้าเธอตรัสว่าเธอทั้งหลายจงทําตามพระราชธัยแห่งพระราชาของพวกท่านเถิดจึงทูลว่าขอเดชะขอพระองค์โปรดกระทำนั่งเถิดพวกข้าพระบาทจะกระทําตามพระบัญชาของพระราชาขอพระองค์อย่าทรงกลิ้วต่อพวกข้าพระบาทเลยกรนี้หาควรแก่พระราชาผู้ทรงธรำเช่นพระองค์ไม่ดังนี้แล้ว ทำอย่างนั้นแล้วได้ทราบว่าในการก่อนพระราชาได้ทรงสวมฉลองพระบาทในลานพระเจดีย์อันเป็นสถานที่บูชาด้วยสการะมีของหอมและดอกไม้เป็นต้นอาจารย์บางพวกกล่าวว่าพระองค์เอาพระบาทซึ่งมิได้ชำระเหยียบเสื่อลำแพนที่เขาปูวไว้เพื่อต้องการเป็นที่นั่งของภิกษุสงฆ์นี้เป็นผลแห่งกรรมนั้นดังนี้ก็มี พระราชาเกิดเวทนาอันสาหัสทรงพระอนุสอ์อยู่อย่างเดียวว่าอาศจรรย์จิงพระพุทธเจ้าอาศจรรย์จิงพระธรรมเจ้าอาศจรรย์จิงพระสังฆเจ้าดังนี้สเสด็จจุติไปบังเกิดเป็นยักษ์ชื่อว่าชนะวสภะเป็นผู้บำรุงท้าวเวสวัน์ในเทวโลกชั้นจาตุมหาราชด้วยอำนาจความรักใคร่อันพระองค์ทรงอบรมนาน เพราะความที่พระองค์เคยบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นมากพระเจ้าอาชาสตรอนั้นทรงปรงพระชนพระชบิดาอย่างนี้แล้วภายหลังเกิดความเสน่หาในพระชบิดาทรงกันแสงคร่ำครวญได้ทรงกระทำการถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระเจ้าพิมพิสารนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่นั้นพระเทวทัตคบคิดกับพระเจ้าอาชาสตรนั้น กระทำความชั่วตั้งแต่ส่งนายขมังธนูไปเพื่อปรองพระชนพระบรมศาสดาเป็นต้นกระทั่งถึงทำลายสงเข้าไปสู่แผ่นดินโดยในที่กล่าวแล้วพระราชาสดับข่าวนั้นแล้วทั้งหวาดกลัวทั้งสะดุ้งพระราชาลุยไทยด้วยทรงรำพึงว่าแผ่นดินจะพึงสู่แม้เราด้วยหรือหน่อแลจึงไม่ได้ความสำราญในราชสมบัติ ไม่ประสบความโปร่งพระราชรัไทยในการบัรทมความหวัดหวันที่เอาไปเหมือนเปรตที่ถูกแทงด้วยเครื่องกรรมกรก็าวเท้าเธอทรงเห็นพระองค์เหมือนถูกแผ่นดินสูบเหมือนออกจากเปลวไฟในเอเวจีมหานรกเหมือนถูกนายเพชฌฆาตให้นอนหงายเหนือแผ่นดินแล้วตอกด้วยเหลาเหล็กฉะนั้นด้วยเหตุนั้นเมื่อเท้าเธอทรงหวัดหวันอยู่ ดุดไก่ถูกประหารฉะนั้นจึงไม่ได้มีความสงบราชฤทัยเพียงครู่เดียวพระองค์แม้มีความประสงค์จะเฝ้าพระบรมาสัจดาและทูลถามปัญหาแล้วให้ทรงอดโทษก็ไม่อาจจะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระปรมาสัจดาได้เพราะความที่พระองค์ทรงมีความผิดมหันในวันพิณวันหนึ่งท้าวเธอตรัสถามหมอชีวกโกมารพัฒว่า เดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ไหนหมอชีวกทูลว่าในสวนมะม่วงของข้าพระบาทได้ทราบว่าในการก่อนหมอชีวกได้ทําที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันที่เรนกุฎีและมณฑบเป็นตน้นให้ถึงพร้อมและให้นายช่างสร้างพระกันทกุฎีเพื่อพระบรมศาสดาในสวนมะม่วงนั้น ทำสวนมะม่วงที่พระเจ้าพิมพิสารพระราชทานแก่ตนนั้นให้เป็นวิหารมอบถวายไว้คำนั้นหมอชีวกกล่าวหมายเอาสวนนั้นครั้งนั้นพระราชาทรงทำหมอชีวกให้เป็นคนดำทางเสด็จไปสู่ชีวกกรรมภวนารามในตอนกลางคืนวันนั้นนั่นเองถวายบังคมพระบรมศาสดาและทรงทำอัญชลี แก่ภิกษุสงฆ์แล้วประทับนั่งณส่วนข้างหนึ่งทูลถามปัญหาโดยในที่พระธรรมสังคาหากาจารย์กล่าวไว้ในสามัญผญลสูตรนั่นแหลครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหริว่าพระราชานี้ตั้งแต่เวลาที่ให้ปรงพระชนพระชบิดาแล้วไม่ได้การบันทมตลอดกลางคืนและกลางวันเลยด้วยว่า เท้าเธอเป็นเหมือนถูกแทงด้วยหอกตั้งหนึ่งร้อยเล่มในเมื่อพอหลับพระเนตรลงด้วยทรงหวังว่าจากงีบเท่านั้นก็กลับผวาตื่นขึ้นคร่ำครวญอยู่ก็ในวันนี้พระราชานี้สเสด็จมาหาเราแล้วจะเข้าถึงความหลับจำเดินแต่การที่ได้สดับเทศนานี้และจกทาส ก, กา ร, ระแด่พระธนตรยัยชื่อว่า บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาอย่างปุถุชนเช่นพระราชานี้จะไม่มีอันหนึ่งในเวลาจบเทศนาพระองค์จะทรงตั้งอยู่ในสรณะทั้งสามก็องเละเปิดยะสมาองเละปิดเพราะพระราชานี้ทรงถึงไตรสาระาองเละเปิดตาสมาวงเละปิดเพราะฉะนั้นพระราชานี้จะบังเกิดในโลหะกุมพี ตกลงไปภายใต้ถึงพื้นหม้อโดยสา0หมืนปีผุดขึ้นมาเบื้องบนอีกถึงปากหม้อโดยสา0หมืนปีแล้วจึงจากพ้นเปรียบเหมือนบุคคลบางคนทำการข้ามบุตรฝึงพ้นจากอาญาด้วยวัตถุศักว่าดอกไม้กบมือหนึ่งฉะนั้นเพราะความที่ศาสนาของเราเป็นศาสนาใหญ่อันหนึ่งพระราชานี่ จากเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าพระนามว่าชีวิตะวิเศษะปรินิพานในอนาคตการดังนี้แล้วทรงทราบอา น, นิสงส์งใหญ่อันเท้าเธอพึงได้เพราะทรงสะดับธรรมนี้เมื่อจะทรงแก้ปัญหาของพระองค์จึงทรงแสดงสามัญญผลสูตรในสีละขันธวัคในการจบเทศนาพระราชเสื่อมจากโสดาปติผล เพราะเป็นผู้มีอุปนิสัยแห่งมักอันตัดเสียแล้วจึงได้แต่ถึงสรธนาสามด้วยการทรงหมออพระองค์ถวายก็ท่าพระราชบิดาจักไม่ถูกพระองค์ปร่งพระชนแล้วไซพระองค์ก็จักได้เป็นโสดาบันในที่นั่งนั้นนั่นแหลแต่อันตรายแห่งมักเกิดมีแก่พระองค์เพราะทรงคลุกคลีด้วยบาปมิตรพระราชา ทรงถึงสารณะอย่างนี้แล้วจึงทรงประกาศความผิดที่พระองค์ทรงกระทํำเฉพาะพระพักพระบรมศาสดาให้พระบรมศาสดาทรงอดโทษแล้วเสด็จลุกจากอสนะทรงกระทํำประทักษิสนสามรอบทรงตั้งอัญเชลีไว้เหนือพระเศียรผินพระพักตรงต่อพระบรมศาสดาทรงดําเนินถอยหลังออกมาตราบเท่าแดนที่ทอดพระเนตรเห็น หวายบังคมด้วยเบญจางขาปดิ์เหนือภาคพื้นในสถานที่ลงการทอดพระเนตรเห็นแล้วเสด็จหลีกไปดังนี้แลเรื่องพระเจ้าอาชาตศัตรูในอัตตกขาสามัญญผลสูตรจบ